ให้กับพ่อเทศไม่เคยได้ขับก็กเทสทุกวนะันวันนี้มีบุญนะได้ขับแค่แตกงสินเพื่อเคยฟักท่านเทศทนเทศดีชวดหน้าตักนุน่มนวลมีเนื้อหาสาระไดาแจกท่ า, ากนก็เทศสาระสำคัญไปหมดแล้วนะไม่ให้กับพ่อเทรเลยก็ไม่รู้จะเทศอะไร ก็มีแต่ว่าเราบางทีท่านเทศไปถึงบอกให้เข้ามานาะให้พบหนาะเป็นปนตายเพรานะหนาความจริงเวลาคนที่เรารับตายหรือตัวเราจะตายแล้วเรามีปัมทุกขึ้นมาเพราะเราโง่ไม่งงไม่ทุกกับ พระพุทธเจ้าสอานเฝึกฝนตัวเองในจิตใจให้ฉลาดแหลมคมปฏิบัติธรรมเพื่อให้หายงูนั่นแหละถ้าเราหัดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าให้มันจเจริญสติมารู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยถ้าเราไปยดูกายดูใจทํางานไปถึงวันหนึ่งจะเห็นความจริง กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยแรกเลยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราบังคับมันไม่ได้ไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันจะสั่งมันอย่าไปทูปร้อนที่เราต้องลัดรากจากสิ่งที่รักที่เจริญใจห้ามไม่ได้เพรอย่างนในเบื้องต้นเราจะเห็นเลยนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา เราบังคับมันไม่ได้สักอย่างเดียวถ้ามาเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปปัญญาแหลมคมยิ่งขึ้นมันจะเห็นนีงกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเราภาวนาจึงเห็นได้นะคว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์เวลาตายจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปแล้วเพราะตัวทุกข์มันจะตายไม่ใช่ตัวดีมันจะตายไม่ไม่เสียดายหรอกที่เราเสียดายเพราะเราไม่ฉลาดก็คือ คิดว่ากานี้ใจนี้เป็นของดีของพิเศษ น, น่ารักน่าหวงแอบงั้นเวลาพระพุทธเจ้าจะปฏินิพพานหรือพระพารหันท่านจะปรินินพพานท่านไม่เศร้าโเสียใจให้เห็นว่าภาระรที่ท่านต้องรับมาตลอดยาวนานมั น, มนจะสิ้นสุดลงแล้วใลาเป็นเรื่องสบายใจเบิกบานนี่เรายังนี้ทำไม่ได้อย่างท่านก็ต้องพยายามฝึกฝนตัวเองเพื่อวันหนึ่งจะต้องได้อย่างท่าน แต่เดิมท่านจะมีกิเลส เ, เระนลำทำยังไงละ่ะท่านก็มาจเจริญสตินะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปกายมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูไปจริงจริงเขาเป็นอยังไงจริงจริงเขาเที่ยงหรือไม่เที่ยงจริงๆริงเขาเป็นสุขหรือเขาเป็นทุกข์จริงๆไิง่บังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูร่างกายไป โดยเจตใจของมันกันะว่าในความเป็นจริงแล้วมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบรับได้หร ja ือม e e ันบรรพไม่ได้เราไม่ต้องไปแกล้งทำหรอกว่ามันเป็นทุกข์นั่นไม่ดีอย่างนนต์อย่างนี้ก็เป็นคิดนำในนั้นแหละในความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่นนัะไม่เห็นมันจะดีตรงไหนถ้าเราไม่ฉลาดแหลมคงพอเราก็ไปเห็นของไม่เที่ยงว่าดีของเป็นทุกข์ก็ว่าดีของไม่ใช่ตัวไม่เช่นต์หรือว่าดี พอของดีของพิเศษมัจะตายมันก็รุ่มใจเสียวเสดายงั้เราถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจเรานะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากมันถอดถอนความเห็นผิดไปได้ล้างความเห็นผิดได้สักอย่างเดียวเพราะล้างความทุกข์ในใจไปได้หายโง่นั่นเองหายโง่สักอย่างเดียวก็ไม่ทุกข์แล้วคนระับจะาทุกข์เราโง่แหละเจ้าป้ามทุกข์ไหย ยังทุกข์อยู่วรอกยงโม่อง้าภาวนาดูเราไปสิ่งกายไมใจเนไม่ใช่ของดีของพิเศษดูซัำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่มันสบายตรงไหนนะถ้าเรามีสติรู้สึกลงมาจริงๆแต่ถ้าหายใจยังทุกข์เลยหายใจเข้าก็ทุกข์หน้าเราหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะ ทุกมากมากหายใจเข้ามากๆทุกมากมากทนไม่ได้หายใจออกแก่ทุกข์อีกแค่รู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นได้ร่างกายหายใจออกถ้าสติปัญญาแหลมคมพอเห็นไม่แต่ทุกข์หายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจออกก็แก้ทุกข์แต่แก้ไม่สำเร็จแก้ไม่สำเร็จเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วหายใจเข้าอื่นอาจขึ้นมาแลหายใจออก คิดว่าหายใจออกไปแก้ทุกข์ได้หายใจออกไปไปเดี๋ยวหนึงก็อึดอัดอเลยต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเดี๋ยวก็หิวก็ไปกินแก้ทุกข์อีกเดี๋ยวก็หิวีกินแล้วดีแก้ไม่ไม่สเด็จจริงยืนเดินนั่งนอนมีสติเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นยืนเดินนั่งนอนตัวแก่ทุกข์ ยืนนานๆก็ทุกขนะ์นั่งนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์ต้องเปลี่ยนยพื้นที่บดเพื่อแก้ทุกข์อีกเนี่ยประมีสติคอยดูร่างกายไปเรื่อยเป็นหนึ่งมันมีแต่ความทุกข์บีบพันอยู่ตลอดเวลาหนีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็หนีไม่รอดดูจิตดูใจถูกความอยากบีบพันมันอยากตลอดเวลาหรืออยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากลิ้นรสอยากกระตุ้มสัมผัส ท, ทางกาย อยากได้อารมณ์ที่เพลิดเพินทางใจก็ได้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวอยากอันใหม่ได้อนี้มานึกว่าจะสบายใจได้สิ่งนี้มานึกว่าจะสบายใจก็ไม่สบายใจจริงบางคนเห็นคนอื่นเขามีโทรศัพท์มือถือใหม่ๆอยากมีเก็บเงินตั้งนานไปซื้อเอารุ่นนี้แหละซื้อมานะแป๊บเดียวเห็นคนอื่นก็มีใหม่กว่านี้อีกแล้ว หรือซื้อมาผมไปถาเพื่อนรุ่นเดียวกันเปรียบเลยซื้อมาเขาถูกกว่าเราห้าสิบาทเราก็ทูกแล้วนะไม่ใช่มีความสุขความสุขเหมือนสร้างๆความสุขหลอกๆสร้างเล็กเดียวชีวิตเรามีแต่เรื่องแต่เกียงตะกลายไปแร่ อ, อยากได้ความสุขตระกลายไปตะกลายไปใ้เต็มไปไมได้วยความอยากดังนั้นจริงๆแล้วความอยากมันบีบพันับให้เราดินรนยิงดิ้นรนมิต เนี่ยเราเข้ารู้ลงในกายเข้ารู้ลงในใจแบบนี้รู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้อีกไม่ไม่มีของดีตรงไหนเลยกายก็ไม่ใช่ของดีใจก็ไม่ใช่ของดีของไม่ดีมันจะตายเรื่องของมันสิไม่ใช่เรื่องของเราอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านพูดแต่กี้นะไม่ห่วงหรอกจะตายตอนไหนก็ได้จะตายตอนไหนก็ได้ของไม่ดีมันจะตายไม่ใช่ของดีตายไปก็กลัว อ, อะไร ยังหัดภาวนานี่ยเไม่ต้องคุยกับแปลกคนเราต้องปด้งี้ยงโง่หัดภาวนาดูความจริงของกจของใจอะนึงหายโง่หายโง่ก็ไม่คุยกันวันนี้ก็เท็แค่หายโง่罢了เทเดอะกรุ่งใจเอาตัดยัดอะแล้วแกนี่ล่ะไม่ต้องสบายอะไหรอ